อุทธะทธะนิสีทะทธะโกอทโทสุปิเตนะโวอาตุระนังฮิกานินดาสันละวิทานะรูปตังโพ้เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนด้วยโรคคือกินเละมีประการต่างๆ ถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นทิ่มแต่งจนย่อยยับอยู่พวกเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงบากบั่นขยันศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุสันติธรรมกันเถิดอย่าให้มัจจุราชรู้ว่าเธอทั้งหลายมั่วแต่ประมาลุ่มหลงแล้วบังคับให้หลงไหลอยู่ในอำนาจเลย เธอทั้งหลายจงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ยังมีความต้องการยึดติดอยู่ขณะยาได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสียปราเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ก็ในเวลาเป็นยามสุดท้าย แห่งราตรีเมื่อตโมฟังนิสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็ลุกขึ้นนั่งตโมฟังลุกขึ้นนั่งมาทำสมาธิทำจิตให้มีความสงบย่ามัวหลับไหลกันท่านจึงบอกว่าอุทธหะทะนิสีททะคือลุกขึ้นเถอ เหมือนนักกีฬาตัวสำรองพอเขาเรียกให้ลงสนามเน <c ười> ี่มคึกคักขึงขังขึ้นทันทีเรารู้สึกตัวในยามสุดท้ายแหราตรียังไม่ตายนะเนี่ยยังไม่ตายลุกขึ้นนั่งทันทียามัวหลับไหลยามัวสลบยามัวเมาในความง่วง ให้รู้สึกสดชื่นขึ้นทันทีหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสักสองสามครั้งขยับแขนขาร่างกายแล้วลุกขึ้นนั่งพนมมือขึ้นนึกถึงคุณพระพุทธประธรรมประสง์เรายังไม่ตายวันนี้เรามาปฏิบัติธรรม สักประมาณ60นาทีหมู่ฝังมานึกถึงพุทธโธธัมโมสังโฆ ว, วันนี้นึกถึงเจริญพุทธานุสติธรมมานุสติสังคานุสติเอามันทั้งสามอย่างไปพร์กันเลหละเพราะมันต้องมาอัดแน่นเต็มอยู่ในใจิตใจของเราแต่ไม่งั้นเราก็จงไปอัดแน่นเต็มอยู่ในนรก นรกเป็นที่ที่ไม่ควรไปให้จิตใจของเรามีพุโทโธธรรมโมสังโฆแน่นเต็มอยู่นี่เราไม่ไปหรอกในนรกนะพุโทโธคือการประสรูตของพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาด้วยความเพียรใดที่ท่านมีทรงต่อมาผ่านทางคาสอนคือธรรมโมมีการกำหนดบทเพียญยชนะอย่างดี เราฟังสิ่งที่เป็นธรรมะธรรมโมแล้วเอามาทาเอามาปฏิบัติตามทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินไปนั่นคือสังโงคไม่ใช่ตัวเราเองมีครูบาอาจารย์พระภิกษุรุ่นก่อนหน้านี้ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหมูเป็นกลุ่มตามทางกันไปเราลุกขึ้นนั่งนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในกายตระสรู้นึกถึงคาสอนของท่านว่าให้ลุกขึ้น อย่าลับไหลนั่นคือธรรมโมตัวเรามานึกถึงแล้วทำอยู่นั่นคือสังโคมีพุทธโธธรรมโมสังโคตั้งจิตของเราไว้ในะที่ตรงนี้เพราะจิตของเรามันไม่ไปตามเรื่องอื่นทังหมนั่นคือไม่เผลอไปไม่เปลินไปนั่นคือมีสติตั้งไว้ทันทีเลยจะเริ่พุทธานุสติ ธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในกล่าวเดียวกันอยู่ด้วยกันเดียวนั้นทันทีจะนึกขมาพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือไม่ก็ได้จะนึกหรือไม่นึกนั่นไม่ใช่ประเด็นละจะนึกก็ได้ไม่ว่าอะไรถ้ามีความคิดนึกเรื่องอื่นมาไม่ตามไปนึกพุทธโธธรรมโอสังโฆไว้อันใดอันหนึ่งก็ได้ ได้ยินเสียงได้กลิ่นใดๆ ไ, ไม่เผลอเพลินไปตามเสียงนั้นกลิ่นนั้นความคิดนั้นแต่ตั้งจิต ด, ดิ่งอยู่กับคําสอนนั่นคือธรมโมตั้งจิต ด, ดิ่งอยู่กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธมาอยู่ที่การปฏิบัตินั่งสมาธิของเรานั่นคือสังโคมีพุทโธธรรมโมสังโคอยู่ในตัวเรา กิเลตัณมังมันจะทำอะไรไม่ได้แต่มันจะคอยหาช่องอยู่เหมือนเต่าไปหากินตามริมลำธารสุนักจิงจอกก็ไปหากินตามริมลำธารสุนัขจิงจอกเห็นเต่าแล้วก็อยากจะกินเต่าแล้วจะมากินอะไรเต่ามาเบียดเบียนกันตัวเอาเห็นสุนักจิงจอกก็โัวจะมาเบียดเบียนอะไรกันเจ้าสุนักจิงจอก เราจะไปสู้กับเต่าก็สู้ไม่ได้หลบเลยไม่ได้หลบลงนะ้ำไม่ได้หลบขึ้นต้นไม้นะเต่าอ่ะหรือไม่ได้บินขึ้นฟ้านะแต่ว่าหลบเข้าในกระดองของเขาเสียหลบเข้าในกระดองก็คือหดอวยัยวะเก็บอวยัยวะไว้ในกระดองของตนเก็บนิ่งเลยรักษาร่างกายอยู่ในกระดองนั่นคือเต่าตัวเราก็เหมือนกันหนูฟัง กิเลสมันคอยช่องอยู่จากเราอยู่อย่างไม่ขาดระยะมันจะคอยว่าเสียงมากระทบตรงไหนนี่มันจะไปกระทบลิ้นไม่ได้มันก็ต้องกระทบหูใช่มล่ะกลิ่นจะไม่กระทบตรงไหนมันจะไปกระทบตาก็ไม่ได้ตาแสบแล้วต้องกระทบจมูกถึงจะได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นได้ตาหูจมูกลิ้ น, น, า ก, นการและใจเป็นช่องทางพิจะากระตุ้นให้กิเลสเกิดได้มันคอยช่องอยู่ตรงนี้ ถ้ามีเสียงอันเป็นที่น่าชอบใจบูบวาบบูบวาขึ้นมาจิตที่มีความเพลินความเผลอมันไปตามเสียงอันเป็นที่แต่งความน่าชอบใจกินเล็ดมนได้ช่องออกมาทันทีเกิดขึ้นทันทีกลายเป็นราคาทันทีถ้ามีกลิน่นอันไม่เป็นที่น่าชอบใจชินกลิ่นเหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้ใครทํากลิ่นอะไรบากกะทบล้ว จิตที่ถ้ามีความเผลอความเพลินความหลงกรอบเงาอยู่จิตมันก็จะตามกลิ่นนั้นไปไม่ชอบใจแล้วโทรศัพท์ก็ได้ช่องเกิดขึ้นมาทันทีสุนัขจิ้งจอกได้ช่องจากเตากัดอวัยวะส่วนนั่นมันเผลอโผล่ขาหน้าขาหลังหรือหางก็มันออกมาน้อยๆหน่อยก็าหางมันกัดหางไว้คิดว่าจะดึงอวัยวะส่วนอื่นออกมากินทั้งหมด แ, แต่หางมันนิดเดียวจะบอกว่าหางขาดไปเกลือเสียท่าแล้วถ้าเป็นขาหรือหัวนี่อาจจะได้ทั้งตัวแต่นิดหน่อยอย่าเพลอถ้าเพลอไปโทสะได้ช่องทันทีเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วการรับรู้ต่างๆมันจะผิดเพี้ยนไปหมดนั่นคือโรคที่เกิดทางใจจากกินเลทที่ผลิตขึ้นจากจิต ที่มีความเผลอความเปลินไปตามผัสสะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างผ่านมาทางตางหูจมูกลิ้นกายเรือใจจิตก็จะมีความเร่าร้อนเผาลนด้วยโรคคือกิเลสต่างๆเหล่านี้ถูกลูกสอนคือราคาโทสะโมหะทิมแทงให้ย่อยยับได้จนเปรียบเดียวใบม่วงเหมือนถ้าตาเรามีต้อ เป็นวุ้นอยู่ในกระจกตาบ้างหรือมีขี้ตาเยอะมีฝุ่นผงเข้าตาการมองเห็นอะไรเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคุณเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวนี่ก็จะมีประสบการณ์ตรงแล้ว่าเออถ้าเราถอดแว่นนี่มันมองไม่ชัดเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามหูนี่ถ้าเป็นหูน้ำหนวกมีหนองมีอะไรืออในหูความดันไม่เท่ากันมันก็ได้ยินเสียงไม่ชัดเจน จมูนี่เห็นได้ชัดคนที่เป็นโควิดนี่เชื้อมันเข้าไปทําให้ประสาทการรับกลิ่นนี่มันผิดเพี้ยนไปมันได้กลิ่นอะไรไม่ได้เลยกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอาหารไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันดูฝั่งนี่คือโรคทางกายโรคทางใจคือราคะโทสะและโมห์ราคะก็จะทําให้ช่องทางใจนี่มันหิวโทสะนี่ก็จะทําให้ช่องทางใจนี่มันร้อน โมหะก็จะทำให้ช่องทางใจนี่มันมืดหิวร้อนมืดนั่นคืออาการโรคที่เกิดจากราคะโทสะโมหะให้จิตใจของเราการรับรู้ของเรามันผิดเพี้ยนไปเวลาคนโกรธอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกฟังเรื่องอื่นๆนะมันก็พานโกรธไปหมดอ้ยอยากจะกินข้าวไม่ได้กินข้าวแล้วเขาก็เลยโมโหหิวใช่ไาละ่ะ เดีวคนนี้เอางานมาใหเส้นเดีวคนนี้มาถามเรื่องนั้นมันผ่านโกรธไปหมดเพราะว่าในช่องทางใจมันมีโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วไงมีภาษากึ๊ดกอย่างนี้ท้องมันร้องอย่างนี้จั่งแล้วยังไม่ได้อย่างนี้ปุ๊บผ่านมาทางไหนเนี่ยกว่าผ่านมาทางสมบัติทางกายเสียงทางหูบ้างจิตมันเพลินไปเพ่าว่าเพราะมันไม่ได้มีอะไรรักษาเลิไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจโทรศัพท์ได้ช่องทันทีสุนักที่ตอบไม่ได้ขาเต่าแล้ว กัดซึกเลยดึงตัวเต่าออกไปได้กิเลสได้ช่องและมีโทสะเกิดขึ้นในช่องทางใจทั้งหมดเรารับรู้เรื่องอะไรผ่านโกรธไปด้วยหมดในช่องทางใจมันก็จึงเดือดร้อนมีความสะดุง้งรับรู้เรื่องนั้นก็สะดุ้งไปด้วยความโกรธที่มีเกิดจากเรื่องโนนรับรู้เรื่องนั้นก็มีความลำเอียงมีอากติไปด้วยวาราคะที่เกิดจากเรื่องนั้น มีความสะดุ้งสะเดือนเร่าร้อนไปด้วยกิเลสมีประการต่างๆเหมือนผูกลูกศรหิมแดงยับเลยยับเพราะว่าการเบียดเบียนนึกเป็นวงกว้างขยายต่อไปเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนั่นประอะไรเพราะเพลอเพราะเผินเพราะหลงไปตามราคะโทสะมัว ที่เกิดขึ้นมันเอาช่องจากเราอยู่ตลอดเราจะไม่ให้เบลอไม่ให้เลินไม่ให้กิเลสมันได้ช่องทำยังไงทางกายก็ลุกขึ้นนังซะแต่เอนกายนอนอยู่เนี่ยมันง่วงง่ายง่วงแล้วมันก็จะเลินไปตามความง่วงได้ง่ายก็จะหลับไหลขี้เกียจ กิเลสได้ช่องนะโมหะเกิดตันติความขี้เกียจกรานิแต่ถ้าลุกขึ้นนัง่งปุ๊บให้ความง่วงมันคราบงำได้ยากพอความง่วงคราบงำได้ยากก็ไม่มีความหลงมีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้ท่านจึงบอกว่าเวลาที่ถ้าเราจะระงับกิเลสไม่ให้เร่าร้อนไปได้นี่อย่าหลับไหลจะมีประโยชน์อะไรความหลับนี่ ถึงเวลาก็ลุกขึ้นนั่งซะลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเตรียมพร้อมลุกขึ้นระมัดระวังลุกขึ้นสังเกตูอุทธธานะคือมีความกระตือลือล้นลุกขึ้นทำงานในที่นี้คือลุกขึ้นทาสมาธิพอเราตั้งกายตรง นำ่รงสติไว้เฉพาะหน้าทันทีลุกขึ้นตั้งกายตรงแล้วมันต้องมาหาเดือพงดูล ว, ว่าจะทำอะไรในที่นี่เรามีสติเอาไว้เลยการตรวจหาการเพ่งดูนึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆไงพาเรามีการตรวจหาเพ่งดูมีความระมัระวังสติตั้งตึ้งขึ้นทันทีสติตั้งขึ้เแล้งไง สติจมูกฝังเหมือนตรงข้ามกับความเพลินสติคือความระลึกได้จมูกฝังมันตรงข้ามกับความลืมคือระลึกไม่ได้สติคือความระลึกได้คือไม่เผลอไม่เพลิน ไ, ไม่ลืมแล้ในที่นี้นึกถึงอยู่กับอะไรก็นึกถึงอยู่กับพุทโธคือการแตร่สรู้ความพระพุทธเจ้าคําสอนของท่านคือธรมโมการปฏิบัตินี่แหละที่มีสติไม่เพลินไปตามความคิด ไม่เปลี่ยนไปตามความง่วงไม่เปลี่ยนไปตามการหลับไหลไม่ให้กิเลสราคะโทสะโมหะได้ช่องแต่มีสิ่งได้แล้วนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ไม่ให้กิเลสราคะโทสะไม่มีความสดุงสะเตือนไปตามความพอใจหรือความไม่พอใจลุกขึ้นนั่งแล้วทำความเพียรทำความเพียรเพื่อให้เกิดสันติธรรมสมบูร สันติธรรมหมายถึงความสงบความสงบที่เกิดขึ้นในภายในไม่ว่าสิ่งภายนอกนั้นจะมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่างไรภายในกับภายนอกเร า, เ อ, าอะไรมาแบง่งเอาอาิจตนะมาเป็นตัวแบ่งตัวฝังอิจตนะภายในคือสิ่งที่อยู่ภายในอิจตนะภายนอกคือสิ่งที่อยู่ภายนอกเอาตัวอิจตนะ มาแบ่งความเป็นภายในและความเป็นภายนอกนี้ตั้งสติเอาไว้อยู่ตรงระหว่างนี่แหละสติมันต้องอยู่ระหว่างภายในและภายนอกคือภายนอกจะเป็นอย่างไรภายในจะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกสติจะเป็นตัวรักษาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนฟังว่าถ้าไม่มีสติรักษา ใจิตใจของเราเนี่พอภายนอกเปลี่ยนแปลงไปข้างไหนก็จะสะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งบายนอกนั้นเป็นเปรียบไว้เหมือนกับคุณเอาสัตว์6ชนิดคือนกสุนัขบ้านสุนัขจิงจอกจระเข้งูแล้วก็ลิงมามัดผูกรวมกันเอาไว้เป็นปมโอ้ยถ้ามัดผูกรวมกันไว้เป็นปมแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงตัวเด่นไปล่ะ ว่าจร์เจคย์ตไหนมันจะบินขึ้นฟ้าจร์เข้มันก็ต้องลงน้ํานกต่างหาที่จะบินขึ้นฟ้ามไปคนละทางกันมันจะไม่ได้ไปทางเดียวกันพวกนี้แต่ตัวไหนมีกําลังมากกว่ามันดึงลากตัวอื่นไปหมดนะเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าจิตของเรามันไม่ได้มีอะไรรักษาไม่ได้มีสติป้องกันไว้นี่มันไปตัวนะข้างในก็จะเปลี่ยนสะดุ้งไปตามข้างนอกนะข้างนอกเป็นยังไงเสียงหน้าชอบใจข้างนก็ เรื่อก็พอใจไปด้วยกลินข้างนอกเป็นยังไงไม่น่าพอใจข้างในก็โตกตามไม่พอใจโกรธตามไปข้างนอกนั้นด้วยนี่อันนั้นมีกําลังมันก็ดึงตัวเกินไปใช่ไหมแต่ในที่นี้แทนที่จะมาผูกรวมกันอ้อยเป็นบ่มนี่ให้เอาไปปูไว้กับเสาเกินเสาหลักเสาเกินเสาหลักหมายถึงเสาที่มีความมั่นคงตามสเปคที่ท่านเกียนเอาไว้ก็คือ เป็นเสาหินทั้งแท่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งซอกยาวสิบหกอกไม่มีรอยต่อเป็นหินแท่งเดียวชิ้นเดียวฝังลงไปในดินลึกแปดซอกโผล่ขึ้นพ้นดินแปดซอกตบดินให้แน่นทำมุม9ก้าสิบองศากับพื้นเสาแบบนี้ค่อยเอาสันหกชนิดนี้ไปผูกกันเอาไว้ ปูกไว้ปูกแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราตั้งสติขึ้นนั่นเองทุกังสตินั้นจะเป็นตัวที่รักษาภายในไม่ให้สะดุ้งไปตามภายนอกภายในภายนอกคือนอกคือรูปคือภาพแสงในนี่ก็คือตานนคือการรู้แช้งต่างๆก า, ารรู้แจ่งต่างๆไม่ให้พอใจเสียใจ ไปตามรูปที่น่าพอใจหรือเสียใจนั้นข้างนอกคือเสียงเสียงเพราะก็มีเสียงไม่เพราะก็มีที่อยู่ข้างในคือการรู้แจ้งทางหูอยายให้มันพอใจไปตามเสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นบางทีมันเดือดร้อนนหูเนี่ยเหมือนเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจไม่น่าพอใจบ้างแต่ข้างในต่อมาอยาให้เดือดร้อนไปตาม ให้สะดุ้งไปตามหรือใจเอาใจนี่มันก็มีอยิยตนะภายนอกคือธรรมารมความคิดนึกต่างๆในเวละธรรมารมความคิดนึกต่างๆนี่ยจะเป็นอยิยตนะภายนอกแต่เป็นส่วนของน้ําน้ําก็มีภายนอกนะคือพวกธรรมารม์ส่วนที่เป็นภายในละ่ะคือใจแร้วกบมโนวิญญาณการรับรู้ทางใจหรืออะไรที่มันต่อเนื่องกันมาอีกเนี่ยอย้มันสะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมารมนั้น คิดเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ให้อย่ามีความพอใจไปตามหรือไม่พอใจไปตามตามความคิดที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจนั้นจใจเนี่ยังไงมันเดือดร้อนรอ้อนธรรมารมที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างอยู่แล้วแต่มโนวิญญาณหรือสิ่งที่ตามต่อมาขึ้นงในเนี่ยอย่าให้สะดุ้งสะดือนไปตามต้องมีอะไรรักษา บ่เอะแต่แตะกี้แล้วมันคือต้องมีสติรักษาสติในจึงจะเป็นตัวรักษาช่องทางใจทั้งหมดจึงต้องมีสติเป็นที่แล่มไปสู่เพื่อรักษาด้านข้างในไม่ให้มัวเมาสะดุง้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของข้างนอกข้างนอกจะน่ายินดีน่าพอใจหรือไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจสติรักษาไว้ไม่สะดุ้งแล้ว มันจะค่อยมีความระงับลงระงับลงจะค่อยมีความสงบลงสงบลงความสงบระงับนี่แหละทุกฝั่งที่จะค่อยทำให้ช่องทางใจนั้นได้มีการจัดระเบียบในช่องทางใจจึงต้องมีสติเป็นตัวจัดระเบียบสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะทำให้สิ่งที่่ข้างในทั้งหมดเนี่ยมันอยู่เหนือละผลละ อยู่เหนือพ้นจากสิ่งภายนอกเราเดยบอกวิมุตต์วิมุตจึงเป็นที่แหล่ปไปสู่ของสติสติจึงมีวิมุตเป็นที่แหล่ปไปสู่วิมุตในที่นี้ก็จะหมายถึงความที่จิตของเราเริ่มเป็นสมาธินั่นเองเริ่มมีการแยกแยะ ก, กับสิ่งภายนอกได้สิ่งภายนอกไม่ได้จะมาสะเทือนให้ข่องในนั้นสะดุ้งเปลี่ยนแปลง น, นั่นคือเริ่มบรรลุสันติธรรม คือความสงบจากสิ่งภายนอกสงบนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างหมายถึงอาจจะกลับกำเริบได้ท่านประกฏทิกะได้เคยยกตัวอย่างถึงเวลาที่มีฝุ่นขึ้นตลบบริเวณทางสี่แยกที่มีการจะราจรหนาแน่นทั้งรถสิบล้อทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเกง๋งอะไรต่างวิ่งกันในรุ่งพล่านไปหมด ปรากฏว่ามีฝนตกหนักบึมขึ้นบมขึ้ น, นฝนหาใหญ่ตกลงมาแป๊บเดียวเนี่ยฝุ่นหายหมดจะมีคนบอกว่าโอ้ที่นี่นี่ไม่มีฝุ่นอีกต่อไปแล้วแหมดีใจจังเลยคำพูดของเขานนเนี่ยมันไม่ถูกไงเพราะเมื่อไรก็ตามที่แดดแผดเผาขึ้นอีกไม่มีฝนตกอีกรถยนต์วิ่งขวักขวายไปมาเหมือนเดิมอีกดินที่แห้งลงแห้งลง ปุนมันก็คลุ้งตลบขึ้นมาอีกนั่นคือหมายว่ามันกลับกําเริบได้ไงกลับกําเริบได้เช่นเดียวกันว่าสมาธิที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นลักษณะที่พ้นละอยู่เหนือจากสิ่งภายนอกละแต้ความพ้นความเหนือเนี่ยบางทีมันกลับกําเริบขึ้นไปเปลือกกล้วได้อีกจนจะมีเสียงดังขึ้นน้อยอีกกว่าที่เราเคยอดทนได้หรือมันจะเริ่มจี้ขึ้นละ เริมีปัญหาละเริ่มที่จะอุดทนไม่ได้ละสะดุ้งสะเทือนไปตามสิ่งนั้นได้อีกก็จึงต้องรักษาให้ดีอย่ามีความประมาทอย่าให้ลุ่มหลงหลงไหลแต่ให้สติตั้งไว้ตลอดเลยสตินั้นจึงทำให้เกิดสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิดำใจให้เป็นกลาง ในช่องทางใจไม่มีราคะโทสะหรือโมหะคือไม่เร่าร้อนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนิ่งเย็นสบายอยู่ได้ให้เรามาพิจารณาที่ตัวจิตของเรานี้ธรรมบุฟังจิตของเรานี้จิตของเราที่มาทำหน้าที่ในการรับรู้เสียงรับรู้ภาพยินบุฟังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าได้นั้นเราธรรมูฟังมีหู พอมีเสียงบ่านทางเครื่องเล่นวิทยุบ้าง MP3 บ้างหรืออะไรอุปกรณ์ต่างๆที่มีลําโพงบ้างแล้วกระทบหูของที่ฟังเกิดเป็นโสตวิญญาณคือการรับรู้ทางหู3มอย่างนี้รวมกันเรียกว่าเป็นผัดซักจิตจขอเรามีการรับรู้คือมาทําหน้าที่ในการวิญญาณทางหูคือโสตวิญญาณ จิตที่มันมาทําอย่างนี้กับร่างกายของเราเนี่ยในภาษาเนี่ยเพราะมันผูกผูกผูกรัดผูกดึงกันไว้อยู่ด้วยอำนาจของกรรมที่ก่อกันมาละที่เราได้ต้องมาได้อายตนะคือหูนี่ลักษณะแบบมนุษย์ของเนี่ยเราก็จึงเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ต้องได้ยินเสียงแบบนี้หรือถ้ากรณีของจมูกร่างกายและใจก็เหมือนกันนะ คำเนเป็นกระแสที่ปรุงแต่งมาแล้ให้เราต้องได้ยินเสียงนี้ต้องได้เห็นภาพแบบนี้เพราะนี่คือลักษณะของกรรมเก่าแบบนี้แบบนี้มันคือสปาว่าที่เป็นมนุษย์แต่จะลองเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานเช่นแมวแมวก็จะมีอาหารแบบของแมวเห็นภาพแบบของแมวก็จะไม่เหมือนกั น, กนของนมนุษย์เนั่นคือสปาวะที่เป็นภพของสัตว์เดรัจฉานจิตที่มาล็อกกันอยู่กับกายนี้ ้ได้ต้องรับรู้เสียงแบบนี้แบบนี้จิตเนี่ยมีความเป็นปรปักษ์สมบูฟังคือมีความสว่างสวัยปรปักษ์หมายถึงแสงสว่างคือลักษณะที่มันจะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งนั้นก็ได้เป็นสิ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวไปทำหน้าที่ในการรับรู้เสียงผ่านทางหูก็ได้กลิ่นผ่านทางจมูกก็ได้ขิญญาณเดียวกันแต่ไปทางจมูกหรือจะเป็นความคิดนึก ก็วิญญาณเดียวกันแต่ไปทางใจเป็นมโนวิญญาณวิญญาณอันเดียวกันสามารถที่จะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปยึดถือเสียงก็ได้ยึดถือกลิ่นก็ได้ยึดถือรูป ก, ก็ไดยึดถือจมูกก็ไดยึดถือตาก็ได้ภายนอกภายในละเอียดยามันยึดถือปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงได้หมดเนี่ยมันมีความประพัดสอนป่านี้ความประพัดสอนของมันนี้ทำไปยึดถือในสิ่งใด มันก็เอาอารมณ์ของสิ่งนั้นมาด้วยเพราะว่าลักษณะของจิตนั่นคือสเสวยอารมณ์ที่มันไปยึดถือเพราะมันต้องการสเสวยอารมณ์สเสวยอารมณ์ที่มากับเสียงนั้นสเสวยอารมณ์ที่มากับกลิ่นนั้นความคิดนั้นธรรมอารมณนน์นั้นนั้นๆและเมื่ออารมณ์ที่มันสเสวยนะเป็นมาอ ย, ย่างไงจิตพอได้สวยวมันยิ่งมัลติพายขึ้น มันยิ่งมีอำนาจมากขึ้นท่านจึบอกว่าเวลาที่เราตรึกตรึกคิดนึกไปในเรื่องไหนๆใช่ไหมนั่นคือการที่มีสิ่งนั้นมากสิ่งนั้นมีกําลังขึ้นละเราตรึกตรึกคิดนึกไปทางไหนจิตเรก็จะน้อมไปทางนั้นเพราะว่าจิตนั้นมีหน้าที่ในการสวยอารมณ์อันไหนมีกําลังมากกว่ามันก็ต้องตามสิ่งนั้นไปพอมันตามไปมันก็เหลือกลัวมาได้สวยปุ๊บนี่สิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตขึ้นมาทันที หมายถึงสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นม า, าทันทีเพราะจิตของเราไปจดจ่ออยู่ที่นั่นให้กําลังกับมันมันก็มีกําลังเพิ่มขึ้นมาขึ้นสิ่งไหนมีกําลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นเราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีกําลังเพิ่มขึ้นมาขึ้นก็มีอํานาจเหนือจิตของเราจิตของเราถ้าสิ่งนั้นเป็นเศร้าหมองที่เราก็จะเศร้าหมองไปตามสิ่งนั้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมา ถ้าสิ่งนั้นเป็นไปในทางศีลสมาธิปัญญาซึ่งมันมีอํานาจในการรักษาให้เกิดความสะอาดไม่ให้เกิดความเศร้าหมองจิตเราก็จะผ่องใสขึ้นมาตามอานาจของธรรมะที่จิตได้เข้าไปสบ่อยจากการที่ไปคล้อยตามไปเคลื่อนตามไปในภาษาตต่างๆเหล่านั้นประเด็นคือจิตนี้นั้นที่เดี๋ยวผ่องใสก็ได้เดี๋ยวเศร้าหมองก็ได้ มันไม่ได้ว่าจะผ่องใสยอย่างเดียวหรือเศร้าหมองอย่างเดียวนะดูตัวเราก็ได้ทุกฝัง่งเป็นตน้นคนที่บอกโอ้ยดวงฉันไม่ค่อยดีเลยช่วงเนี้ยแหมไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีไปหมดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะบางทีงมีข้าวกินหรือถ้าไม่มีข้าวกินก็ยังมีชีวิตอยู่เดินได้ไม่เงยเปลี่ยเสียขามันก็ยังมีความมีความเป็นที่พอเป็นไปได้ ความที่มันเศร้าหมองก็ได้ความที่มันผ่องใสก็ได้เนี่คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จิตนั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงจิตนี่ยนะทุกฝังไม่เที่ยงนะถ้าใครบอกว่าเอ้ยจิตนี่เที่ยงแท้แน่นอนตายแล้วมันไม่ได้ตายไปด้วยนะมันเกิดใหม่นะเออันนี้มันจะไม่ค่อยรักกลุ่มเพราะมันยังจะมีคติหรือความเชื่อที่ จิตนั้นจะมันม่นคงถาวอนอยู่ตลอดไปมันไม่จริงไม่ใช่มันเป็นเพียงกระแสที่ทำให้เรารู้สึกถึงความที่มันต่อเนื่องมีมาจะไม่ได้ดับไปเลยมีความเป็นอนันตการมีความอยู่ต่อเนื่องก็เหมือนตัวเราในชาติปัจจุบันนี่เทฝังเมื่อสิบปีที่แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราอยู่ไม่ไเราถึงสิบปีก็ได้เมื่อวานเนี่ยนายกนายขอนางเขียวนางแดง เรามาวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเออเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่นะเหมือนเมื่อวานนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงเป็นตต่างชีวเคมีเซลล์หลายเซลล์ตายไปยูรินซีหลายอย่างหายไปตัวใหม่เกิดขึ้นเซลล์ใหม่เกิดขึ้นจริงๆโดยทางเทคนิคแล้วเราไม่ใช่คนเดิมแล้วนะทุกฝังเซลล์ใหม่ระบบเลือดใหม่ระบบหายใจใหม่เรื่องต่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เราไม่ใช่คนเดิมที่เมื่อวานนี้แล้วนะแต่ว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอันเดิมอยู่หรือแสงสว่างเนี่ยเราเปิดแสงสว่างมันก็นิง่งๆอยู่เนี่ยไม่ให้แสงสว่างเราอยู่เนี่ยเล้วถ้ามันนิ่งๆอยู่เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วทําไมเขาส่งบินมาเก็บเงินนะ่ะเอาท่านมันเกิดดับไงเกิดดับแล้วเทียนนี้ก็เหมือนกันเป็นของเกิดดับไม่ใช่ว่าตอนที่เราจุดมันก็เกิดไม่ใช่ว่าตอนที่เราดับไฟมันก็ดับนะ แต่ในขณะที่มันสว่างโล่งอยู่ตลอดเนี่ยมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยไม่งั้นน้ําตาเทียนมันทำไมมันถึงหมดไปได้อะใส่เทียนนี่เพราะว่ามันกินเชื้ออยู่ตลอดมีที่หมดไปตลอดที่ดับไปตลอดแล้วเกิดใหม่ดับไปแล้วเกิดใหม่จิตว่าเป็นลักษณะนั้นระ ว, วังที่มีความเกิดขึ้นความดับไปตามการยึดถือยึดถือไหนจิตมันก็ว่าบขึ้นมาไม่ยึดถือไหนมันก็ดาบไป เดีมก็ไปเกาะตรงนั้นเราก็ไปเกาะตรงนี้เกาะนี่คือมันยึดถือก้าวลงในรูปบ้างเวทนาบ้างเวทนาควาสุขบ้างทุกบ้างความคิดอดีตบ้างอนาคตบ้าง เ, เรื่องภายในบ้างภายนอกบ้างมีการเกิดขึ้นดับไปเหมือนลิงลิงที่เวลามันจะเลื่อนตัวไปในป่านี่มันก็จะเกาะกิ่งไม้กระโดดโหนตัวไปเสร็จปุ๊บปล่อยกิ่งเดิม ลอยตัวไปจับกิ่งใหม่โหลนตัวต่อไปลอยกิ่งนั้นลอยตัวไปจับกิ่งใหม่อีกโหลนตัวไปลอยกิ่งเดิมลอยตัวอยู่จับกิ่งใหม่อีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยจิตเราก็มีลักษณะอย่างนี้มีลักษณะของความยึดถือไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนวิญญายึดถือสิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้มันดับไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปยึดถือสิ่งอื่น แล้วก็สิ่งอื่นอีกอดีตบ้างอนาคตบ้างเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราไม่รู้สึกถึงความที่มันเกิดและดับเพราะมันต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาความต่อเนื่องไม่ใช่ว่าทีๆนะทุกฝังแต่มันต่อเนื่องกันเลยคือเมื่อจะเกิดนาน10บนาทีก็มีอายุอยู่10บนาทีแล้วก็ดับไปดับปุ๊บแล้วมันเกิดใหม่ทันทีทันทีก็ามนีว่าจะเกิดปุ๊บแป๊บเดียว ก็ดับทันทีแล้วก็เกิดใหม่อีกอยู่ไปอีกนาทีดับไปแล้วก็เกิดใหม่ต่อทันทีเหมือนเปเลวเทียนใช่ไหมเราจุดเทียนขึ้นนะด้วยความร้อนที่เรากระตุ้นมันก็ไปนี่ความร้อนนมันก็จะไปทำให้เกิดการสันดาบระหว่างให้เจ้าไส้เทียนไขเทียนกับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศทีนี้พอปริมาณที่มันเหมาะสมมันก็จะดับไปละ ด้วยออกซิเจนและเชื้อเพลิงที่มีอยู่มันก็เกิดไฟขึ้นปุ๊บพอเชื้อเพลิงนั้นออกซิเจนนั้นหมดไปมันก็ดับไปปุ๊บแล้วมันก็ผลิตความร้อนขึ้นมาด้วยแสงสว่างขึ้นมาด้วยแต่ถ้าเชื้อเพลิงยังไม่หมดออกซิเจนยังไม่หมดด้วยความร้อนที่มันมีอยู่มันก็เกิดเปลวไฟใหม่ขึ้นมาต่อขึ้นมาไอ้เปลวไฟใหม่ที่เกิดขึ้นมามันก็ปริมาณของออกซิเจนแล้วก็เชื้อเพลิงที่มันพอเหมาะพอสมกันมันก็เผาไหม้ขึ้นมาความร้อนก็สร้างขึ้นมา ไอ้เปลวไฟนั้นก็ดับไปแล้วแต่ถ้ายังมีเชื้อคือไขที่ยังไม่หมดออกเยียนยังไม่หมดมันก็เกิดเปลวใหม่ขึ้นมาอีกเกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันทำให้เราเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันเป็นกระแสตรงเนี้ยถ้าดูว่าเป็นกระแสเป็นกระแสของเวลาเป็นกระแสน้าเป็นกระแสไฟ เป็นกระแสของความเป็นตัวตนของเราเป็นกระแสดันๆดันๆกันมาตัวเราที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นนางแดงเป็นนายขาวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนเดิมนั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่ว่ามันเป็นกระแสเป็นความเคยชินที่สะสมมาสะสมมาลักษณะที่เป็นกระแสเนี่ยคือมีการเกิดดับตลอดมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เป็นความเคยชินที่สะสมมากรกว่าเป็นจิตจิตใ่มีลักษณะแบบนี้เป็นกระแสแต่ว่าในความที่เป็นกระแสให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะตลอดวันตลอดคื น, นมีความต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันลักษณะที่เกิดด้วยดับด้วยตามเงื่อนไขปัจจัยลักษณะนี้หมายถึง มันมีความไม่เที่ยงไงหนูหวังมีความไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดดับเราจะบอกว่ามันคงที่คงตัวเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตายชาตินี้ไปจิตไม่ได้ตายด้วยนะแต่จะไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกมันเที่ยงอย่มาละแต่ถ้าจะพูดกันตรงๆแล้วเข้าใจกันให้ถูกคือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจิตที่มีความไม่เที่ยงเพราะมันเกิดได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้ดูเหมือนเที่ยงแต่ไม่เที่ยงเข้าใจให้ถูกว่ามันไม่เที่ยง ที่ไม่เที่ยงนั้นเพราะว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยของมันปรุงแต่งกันมาเป็นอนัตตามีความที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนของมันเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเราหวังเราคุยกันด้วยเหตุผลนะเราไม่ได้คุยกันด้วยแบบตามความรู้สึกว่าฉันชอบใจไม่ชอบใจนะคือคนเราถ้าตัดสินใจเรื่องอะไรด้วยอารมณ์ที่ไม่ได้ใช้เหตุผล ทำให้การตัดสินใจนมันผิดพลาดไปได้ถ้าเราไม่ใช่เหตุผลนะใช่อารมณ์ใช้อารมณ์มก็คือตามความชอบใจตามความไม่ชอบใจแต่ถ้าเราตัดส่วนนั้นออกไปด้วยสติที่เราตั้งขึ้นด้วยสมาธิที่เรารักษาไว้ให้ดีนี่ให้ชอบใจที่จะเป็นลักษณะราคะไม่ชอบใจที่จะเป็นลักษณะโทสะมันเกิดไม่ได้ละก็จะไม่มีความลมเอียงไม่มีความมรคติละป้องกันราคะโทสะโมหะเกิดละ อ่าทีนี้เรามาดูตามเนื้อผ้าด้วยเหตุผลของเขานะว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงได้เพืให้คงที่คงตัวเป็นสภาพเดิมตลอดเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้ความที่มันไม่คงที่ไม่คงตัวเป็นสภาพเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสภาวะเนี้ยเรียก ว, ว่ามันคือทุกข์ทุกข์คือทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้ในสภาพเดิม แตทเมื่อเหตุปัจจัยที่ให้มันเกิดแล้วมันเปลี่ยนแปลงจะให้มันอยู่เหมือนเดิมไม่ได้นี่คือทุกข์ถ้าเราจะมาหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์คุณจะได้ความสุขแบบจอมปลอมความสุขที่ไม่ถาวรยั่งยืนความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวความสุขที่ประเดียวปราดาวความสุขที่ฉาบฉวยหลอกลวงความสุขที่ไม่จรังยั่งยืนความสุขที่ไม่ต่อเนื่องถาวร เป็นความสุขที่ชั่วคราวฉาบฉวยหลอกลวงเอานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเขาบอกว่าสุขมากสุขมากมันมันมันโกะปะใช่ปะถ้าเราจะเข้าใจว่าเออนี่มันสุขมากสุขมากอู้ดีมากดีมากแต่มันแป๊บเดียวฉาบฉวยไม่ได้จีรังยั่งยืนแล้วบอกมากนี่คือมันมันต่อต่อแหละคือมันไม่จริงมันไม่ใช่สุขจริงๆมันนิดหน่อย มันชั่วลราวมันมันไม่ถูกมันไม่ดีมันก็เป็นของไม่เที่ยงพูดง่ายๆคือเป็นทุกข์ไงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ไงจึงวา่าจะมาเจอสุขมันก็เหมือนกับเวลาที่เราจะไปหาแก่นไม้จากต้นกล้วยเนี่ยนะแน่ น, นอนว่าถ้าคนหลานเนี่ยเขาจะไม่ทำเพราะมันก็จะไม่เจอใช่ไหมจะไปหาอะไรมันจะไม่เจอแต่คนที่เขาไม่รู้นี่คนที่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่า ต้นไม้ทุกต้นต้องมีแก่นนะก็เลยไปเอาต้นกล้วยมายังไม่เจอแก่นนะเอาออมาก่อนเอามาแล้วนี่แหมดีใจแล้วจะได้เจอแก่นดีใจแล้วจะได้เจอแก่จแจจแนจะได้แก่นต้นก ล, วล้วยละดีใจไปก่อนแล้วยู่ไม่ได้เห็นแก่นเลยนะแต่คิดเอาเองไอ้ที่คิดเอาเองเนี่คือยึดถือไปแล้วในสิ่งที่เป็นอนาคตในสัญญาที่ตัวเองคิดว่าต้นไม้ทุต้นต้องมีแกนะ่นทุกอย่างมันต้องดีลงตัวเพอร์เฟกมีความสุขราบรื่นไม่มีปัญหา แบบ Smooth as silk โรยด้วยกลีบกุหลาบปูด้วยพรมแดงทุกคนต้องให้ความร่วมมือฉันต้องได้นี่แน่นอนสอบผ่านเลื่อนงานขายของได้อะไรเอาหวังกันไปแต่พอในระหว่างที่ตัดมาเสร็จแล้วดีใจว่าจะได้แล้วเหนือเริ่มเต้นแล้วป อ, อกกาบเอาไปอีอันอีกกาบอีกอันหนึ่งกาบอีกอันหนึ่งดีใจตลอดนะโอยไแล้วไกแล้วจะได้แล้วนะบอกไปเรื่อยๆปอไปไเรื่อยอา เออเอ๊ะ เ, เ, เดี๋ยวนะแกนไส้ก็ก็ไม่มีนี่ยแกนไส้ก็ไม่มีแล้วก็ปีอยู่ไหนอ่ะโวยกับปีก็ไม่เห็นแล้วแกนมันจะมีได้ไงเอา้าไปหนหาตรงขามดูดิไม่มีนะเอาแต่กี้ยังดีใจอยู่เลยนี่ยังดีใจว่ามันต้องมีต้องมีแต่พอเปิดไปเรื่อยๆ เ, เปิดไปเรื่อยๆความดีใจนี่มันลดลงลดลงอ แกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแม้แต่กระปีก็ไม่มีอะตั้งฟังเฮ้ยที่ดีใจมาตะเกียอยากจะได้มาตะเกียคือไม่ได้เลยนะไม่ได้ตลอดมาเลยนะแต่ดีใจไปเฉยไความสุขที่ถ้าเราจะหาเจอจากสิ่งที่มันเป็นทูกเนี่ยต้องฝัง <daha> มันจะเป็นลักษณะนี้ดีใจไว้ก่อนแล้วว่าฉันจะได้สุขดีใจไว้ก่อนแล้วว่าฉันจะมีประสบความสําเร็จดีใจไว้ก่อนแล้วว่าฉันจะจีรังอย่างยืนฉันจะเที่ยงแท้แน่นอนฉันจะหายฉันจะดีฉันจะสําเร็จดีใจไว้ก่อนแล้ว ไอ้ที่สุขเนี่ยสุขเพราะาดีใจที่ว่าจะได้เนี่ยแต่ยังไม่ได้หรอกนะเพราะมันไม่เคยมีมันไม่เคยได้มีแต่ที่เราปรุงแต่งกันเองมีแต่ที่เราคิดเอาเองจริงๆว่ามันจะดีมันจะมีมันจะได้ความตายในตัวังมันมีซ่อนอยู่ในชีวิตที่เราก็มีชีวิตมีชีวิตเนี่ยมันมีความตายซ่อนอยู่ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันมีซ่อนอยู่ในความสุขที่เราวร่ามีสุขมีสุขเนี่ยมันมีทุกข์ซ่อนอยู่ เชื้อโรคมันก็ซ่อนอยู่ในตรงที่ไม่มีโรคนั่นแหละไอ้ตัวนี้เราคิดว่าเราสุขภาพดีมีเชื้อโรคอยู่เลยฟันตรงให้ได้แต่ปริมาณยังไม่มากพอมันมีมากพอเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวคุณก็เป็นไข้ขึ้นมาเป็นมะเร็งขึ้นมาเป็นอะไรขึ้นมาในร่างกายเราเนี่ยมันมีเชื้อมะเร็งอยู่ทุกคนอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไอ้เม็ดเลือดขาวหรือการกำจัดของเสียมันจะทำงานได้มีเอนไซม์ิป้าเอามันออกไปไหมแค่นั้นเองถ้ามันเอายาออกไปได้มะเร็งที่มันมีอยู่ในตัวเรามันไม่มีหรอก มันไม่ปรากฏขึ้นในเห็นมันมีอยู่แต่ไม่ไม่ปรากฏขึ้นในเห็นเราก็ดีใจว่าเออเราไม่มีโรคเราไม่เป็นมะเร็งแต่เชื้อมะเร็งคุณมีแน่นอนโอ้ฉันไม่เป็นโควิดฉันไม่เป็นไข้อะไรแต่ไวรัสมันมีแน่นอนโอ้ท้องใช่ฉันยังสบายฉันยังไม่เป็นโรคแต่ไม่เป็นโรคะไรโอแบคทีเรียจุลินซีพวกนี้ที่มันเป็นตัวไม่ดีมันมีอยู่ในท้องคุณอยู่แล้ว โอ้ฉันยังไม่ตายโอ้แต่เซลล์ในร่างกายมันตายวันนึงเป็นล้านๆเซลล์นะ่ะไม่ตายอะไรลนะ่ะมันมีซ่อนอยู่ที่เราดีใจนึ่เราดีใจไปเฉยมันจะได้เกนไม้แต่ยังไม่เห็นเลยนะแต่คิดว่าจะได้เหมือนเราคิดว่าเราจะมีสุขภาพดีนะแต่ก็างใมีโรคอยู่แล้วคุณเข้าใจไปเองนะว่าคุณสุขภาพดีเอาเกณฑ์อะไมาวัดอนะ่ะก็เกณฑ์ของตัวเองนะเข้าข้า ง, ขงตัวเองอีกเข้าใจพี่อย่าเข้าใจ แต่เข้าใจให้ถูกจะมาหาสุขในความทุกข์ไม่ได้คุณจะได้แต่กองปลอมเข้าใจไปเองคิดไปเองคิดเองเข้าใจเองก็โง่เองแต่ให้มีความฉลาดเกิดขึ้นให้มีความฉลาดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาสุขได้อย่างไรไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ จะมาหาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะไม่ได้ได้แต่ของปลอมได้แต่ของหลอกลวงได้แต่ความเข้าใจผิดว่านี้คือสุขทั้งทั้นที่เหมือนทุกข์ได้แต่ความเข้าใจผิดว่านี้คือสุขภาพดีทันที่มันก็มีเชื้อโรคได้แต่ความเข้าใจผิดว่าเรามีชีวิตแต่ความตายมันปรากฏอยู่ทุกขณะได้แต่ความเข้าใจผิดว่า เราจะมีความเที่ยงแท้แน่นอนแต่ความไม่เที่ยงมันปรากฏอยู่เฉบาะหน้าอยู่แล้วยังยืนมั่นคงแต่จริงมันไม่ยัง่งยินมันไม่มั่นคงมันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามลองคิดดูลองคิดดูลองไตรตรองใกล้ครวญนในคำถามที่ท่านถามด่งต่อไปนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหมเหมาะสมหรือเปล่าถูกต้องหรือไม่ที่ถ้าเราจะยึดถือเอาว่าสิ่งเนี้ยเป็นตัวเราของเราควรไหมเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่าที่เราจะยึดถือเอาว่าสิ่งเนี้ยมีในเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้มีในเราเรามีอยู่ในสิ่งนี้ควรไหมใช่หรือเปล่า ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถ้าเราใกล้กรุนดูดีๆก็นี่ยสิก็ของไม่ดีเราจะเอามาทำไมอ่ะก็ถ้าเราต้องการเกนไม้เราจะเอาต้นกล้วยมาทำไมอ่ะเออมันไม่มีเกนเราก็จะเอามาทำไมเออของที่มันไม่เที่ยเราจะมาหาความสุขโอ ม, มันก็จะไม่ได้แล้วเราจะเอามาทำไมเราไม่หาความสุนสิ่งนั้นดีกว่า ไม่ได้คว่าันจะมาเป็นของเราเราจะเป็นสิ่งนั yeah. ้นมันไม่ควรแล้วคุณไปเอามันก็จะซื่อบื้อน่ะมันไม่ค่อยจะ make s e n s สมัยสมบูเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็อย่าไปเอาไม่ควรไม่ควรที่จะไปถือเอาว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นตัวตนของเราเรามีอยู่ในสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่ในเราเราเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเราไม่ควรไม่ควรไม่ได้ไม่เหมาะสมไม่ดีไม่ใช่ อย่าเอาอย่าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราไม่ควรไม่ควรนี่คือด้วยเหตุผลนะหนูฟังพิจารณาด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์คือเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์ปุ๊บอันไหนชอบมันมันเอาเลยยึดถือเลยเพาเป็นของเราอันไหนไม่ชอบมันไม่เอาเลยคือแบบมันก็ไม่อยากจะยึดถือแต่ก็ยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้หรือถ้า จะฉลาดหน่อยก็ไม่ยึดถือจริงๆก็ทำได้อยู่แต่มันต้องกลางๆไงแต่มันเลยไปอีกสุดโตงนหนึ่งมันก็กลายเป็นปฏิเสธไปหมดก็ไม่ได้อีกก็ต้องกลางๆจึงจะเดีว่าไม่ยึดถือได้เราจะไม่ยึดถือได้ให้เข้าใจด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเพราะถ้าใช้อารมณ์ัก็จะมีอคติว่าต้องอยากได้หรือปฏิเสธไปหมดแต่ใช้เหตุผลว่าโอเคนะ่ะ มันไม่ได้จะคุณค่าเป็นของเราแก่เราเอาแล้วจะทําไงกับมันดีก็อย่ายึดถือไงทุกฝังสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเรากำลังพูดถึงเจ้าจิตที่มีความเป็นประพสอนี่แหละจิตของเราเองแหละไม่ต้องเอาจิตของคนอื่นเราไม่ได้จะพูดถึงจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์สาวกจิตของท่านพระสารีบุตรหรือจิตของครูบาอาจารย์ใครคนไหนแม่เอาจิตของเรา ที่มีสติมาตั้งไว้อยู่นี่แหละเอาจิตเราเนี่ยละที่เห็นว่ามันเป็นประพัดสอนอยู่เดียวเนี่ยเนี่ยแหละเจะ็คุณไม่เที่ยงใช่ไหมมันนิ่งเลยมันจะแบบโชว์ออฟมันเที่ยงโชว์ออฟมันประพัดสอนโชว์ออฟมันดีงามสว่างมันนิ่งเลยมันนิ่งเลยเหมือนสมาธินี่แหละนิ่งสมาธินิ่งนิ่งเนี่ยนะ ก็ไม่เที่ยงนะสมาธินี่จิตคุณไม่เที่ยงใช่ไหมมันนิ่งเลยมีเฉพาะปัญญาต้นนั่นแหละท่าฟังที่จะรู้เข้าใจว่าจิตคุณไม่เที่ยงอันนี้ใช้ปัญญาตัวมันเองมันไม่รู้หรอกตัวมันเองมันก็เข้าใจไปนะว่าตัวมันเที่ยงไงแต่ไปถามมันมันก็จะบอกว่าฉันก็เที่ยงนี่นาฉันก็เป็นอย่างงี่ชันมาตั้งนานแล้วฉันก็ไปเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีปัญหาอะไรมันก็เข้าใจว่าตัวมันก็เที่ยงนั่นแหะ เราไปถามเอาความเห็นจากสิ่งที่มีอวิชชาเจือเราก็ได้ความเห็นที่มีอวิชชาเจือมีความไม่รู้เจือไป no อย่าไปตามนั้นให้ใช้ความเห็นของวินยูชนคือท่านบูรุ้ทั้งหลายวินยูชนคือท่านบูรู้บอกว่าจิตนี้นั้นเนี่ยไม่เที่ยงนะจิตคุณไม่เที่ยงใช่ไหมเงียบเลยอย่าไปฟังมันให้ฟังเสียงของปัญญาฟังเสียงของปัญญา สิ่งไหนนอนปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นที่จิตเจักระให้ใช้ปัญญาฉายลงไปรวจดูรวจ ด, ดูฉายลงไปด้วยสติที่เราตั้งไว้ให้ดีแสงสว่างฉายไปอย่างไหนความมืดมันหายไปนะความสว่างปรากฏตรงไหนความมืดไม่มันถอยกู่ดองเลยนะเปิดไฟฉายปุ๊บขึ้นนี่ตรงนั้นความมืดถอยออกถอยออกเลยนะไฟฉายฉายไปตรงไห น, นความมืดหลบออกหลบออกเลยนะ ความมืดหายไปความสว่างเกิดขึ้นปรากฏแทนที่ความไม่รู้หายไปความรู้เกิดปรากฏขึ้นแทนที่จากอำนาจของปัญญาปัญญาใช้ไปออกจีกุณไม่เทียงนี่นาะจ้าเอ๋กันแล้วคุณไม่เที่ยงจริงๆอะไรเนี่ยใช่ถึงเวลามันก็ต้องยอมรับกันนะถึงเวลามันก็ต้องยอมรับอะโอเคมัน่อกกาบออกแล้วแขนไสก็ไม่มี โอ้ยเราจะไปปรากฏอะไรก็ต้องยอมรับแล้วถึงเวลานั้นยอมรับได้แล้วว่าจิตมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือว่ามันเป็นตัวเราของเราจิตคุณไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวฉันใช่ไหมมันเงียบเลยขอปัญญาฉายไปดูเออใช่มันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครเป็นของใครมก็เป็นของใครแล้วมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราจะเอาได้ไง เอาไม่ได้ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรก็จะไม่ใช่ของเราเราจะไเอาได้ไงจะเป็นลาไม่ใช่ก็ว่างปลอยอย่ายึดอย่าไปเข้าใจว่าจิตนั้คือตัวเราของเราจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นเพียงกระแสที่สืบเนื่องต่อกันมาเท่านั้นเ่านั้นมีความเกิดขึ้นมีความดับไป เราจะไปหาเบื้องต้นนะมันมาจากไหนหาไม่เจอหรอกเราจะไปหาเบื้องปลายแล้วมันจะไปไหนต่อแล้คุณก็หาไม่เจอเหมือนกันเป็นลักษณะวงกลมที่หาต้นหาปลายไม่เจอเพราะมันเป็นวงกลมเชือกเส้นนี้พอปูกปินเป็นวงเนี่ยมันจะไปเริ่มตรงไหนอ่ะมันจะไปจบยังไงวนไปก็วนไปเรื่อยๆวนไปวนไปเรื่อยๆเป็นวัฏตะตะฝัง จิตเนี่ยเป็นกระแสกระแสเนี่ยเป็นวัตตะเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายหาไม่เจอไม่ได้ไม่เห็นไม่ปรากฏไม่เห็นไม่ปรากฏหาไม่เจอก็คือมันเป็นวงกลมไม่ต้องไปสนใจที่จะตามไปเลยมันมันไม่รู้ได้หรอกเหมือนกับว่าคุณถูกยิงอยู่แล้วก็หมอก็จะมารักษาแล้วก็จะบอกว่าตามตัวคนยิงให้ได้ซะก่อนแล้วค่อจะรักษา อย่า ง, ง่อย่างโง่มันไม่สมัยสมผลทําไม่ถูกขั้นตอนน่ะทาไม่ถูกขั้นตอนเนี่ตายฟรีเสียงงานด้วยแต่ถูกขั้นตอนตอนนี้คือแก้ปัญหาชมพาะหน้าก่อนน่ะอย่ายึดถือให้ได้ก่อนน่ะแล้วค่อยไปตามดูรู้กันละกันนะใช้ปัญญาที่มีชมพู่หน้าว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราวางความยึดถือในจิตนั้นเสียเข้าใจจิต ที่ว่าของเราเนี่ยสมัยว่ามันไม่ใช่จิตของเรานะไม่ใช่จะไปตามอารมณ์นะเหมือนเป็นอย่างนี้กันมาแล้วเป็นกระแสกันมานะเวลาจะคิดนึกปรุงแต่งอะไรด้วยจิตเนี่ยอย่าไปตามหน้าของอารมณ์ก็ให้ไปถ้าทางกายปรุงแต่งไปเนี่ยก็ให้เป็นสัมมารกรรมตาสัมมาอาชีวะถ้าจิตมันจะปรุงแต่งไปทางวาจาก็ให้เป็นสัมมาวาจา ถ้าปรุงแต่งไปทางใจไปเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสังคปะด้วยอยู่ในช่องทางใจปรุงแต่งไปงี้ที่ปรุงแต่งไปเนี่ยไม่ได้ด้วยอารมณ์นะแต่ด้วยเหตุผลน่ะว่ามันควรจะต้องมีองค์ประกอบอประเริฐแบดอย่างนี้ที่จิตจิตก็มีปัญญาก็ทําไปไม่ยึดถือละคราวนี้ตามอารมณ์นั่นนี่ของฉันของใคร แต่เป็นไปตามเหตุผลเข้าใจแบบนี้ดวฝั่งมันวางได้จิตนั้นจะไม่สะดุ้งสะเือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเราเข้าใจอย่างนี้ดูฝังวางความยึดตือในจิตปฏิบัติตามมรรคแบบมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ที่จะสามารถข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติกาล่วงเลยอยู่เหนือนรกให้ไม่หลงไหล มัจจุราชจะตามหาไม่เจอเป็นผู้ที่จะบรรลุสันติธรรมที่ใจบริสุทธิ์อยู่ได้ดูห ว, วังให้เรารักษาจิตรักษาสติที่มีปัญญาประกอบเอาไว้ยอย่างนี้ให้ดีรักษาแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดปัญญาใดความเพียรใดที่พระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นท่านทรงมอบต่อมาถึงเรา ให้เราจงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญานั้นและความเลียด น, นั้นรักษาจิตรักษาสติด้วยการปฏิบัติตามคำสอนนั้นให้ได้อย่างดีทรรมฝังในช่วงของจิตวิเวกนั้นจะมาพบกับธรมุฟังเป็นประจำในทุกวันอางารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาภัยบุญพระภี่ปุนโน ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเว็บไซต์ของทางมูลิตี้พี่ปัญญา o r g .p a n y a o r g หรือว่าในระบบพอดแค s ต์หรือทางยูทูบชาแนลกับพระเจาพระรมหาไพาบูรณ์อาพี่ปุณโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร